สวัสดีครับพี่น้องครับทุกท่านสบายดีนะครับข้างนอกร้อนมากนะครับร้อนเป็นพิเศษร้อนสุดๆนะครับก็กลายสงกรานต์นะครับอากาศร้อนก็จะทยอยมาเยือนนะครับพร้อมกับพายุฤดูร้อนนะครับหลายๆจังหวัดทางภาคอีสานทางภาคเหนือก็รับหิมะขออภัยไม่ใช่ครับลูกเห็บ นะครับการไปเต็มๆบางบางหมู่บ้านนี้ลูกเห็บก้อนเท่ากับกำปั้นนะฮะก็น่าเป็นห่วงนะครับ ส, สิ่งที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบันนะครับถ้าพี่น้อง อ, อยู่ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งหลายเนี่ยเราก็จะพบว่าวัยรุ่นผู้หญิงตอนนี้กำลังติดแฟชั่นตบแล้วแชร์ตบแล้วแชร์ อะไรครับตบแล้วแชร์อะไรครับรุมทำไลค์กันนะครับไวรุ่นผู้หญิงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็แชร์ขึ้นในเฟ e b o ๊ k ในอะไรทั้งหลายโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมีคนตามมากดไลค์ตามมาแชร์แต่ละคลิปไม่ต่ำกว่าพันนะบางคลิปเป็นหมื่นแต่แชร์ในสิ่งที่ โหดร้ายสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรสิ่งเหล่านี้เมื่อเราศึกษาดูุตอย่างลึกๆแล้วนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็มาจากปัญหาพื้นฐานชีวิตเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเรื่องของอาการที่แก้ปัญหาโดยใช้กำลังนะครับขอพระเจ้าเมตตาที่เราทั้งหลายไม่มีตบแล้วแช่นะครับ แท้ที่จริงแล้วครบปัญหาต่างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งสังคมที่จะดีก็มาจากพื้นฐานของครอบครัวนั่นเองนะครับวันนี้หัวข้อที่ผมจะแบ่งปันก็คือบ้านแห่งความเชื่อนะครับพอดีผมไม่ได้คุยกับพิกฤตนะครับพระคัมภีร์ที่ใช้อ่านในวันนี้เป็นพระคัมภีร์ฉบับ2011จะไม่มีคำว่าบ้านอยู่ใน ในในนั้นนะครับแต่ผมยังเป็นคนรุ่นเก่าอยู่ใช้สองพันใช้หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอยู่นะครับจะมีคําว่าบ้านอยู่ในเล่มฉบับที่จะกล่าวพูดถึงนี้ด้วยนะครับแท้ที่จริงแล้วครอบครัวนะครับก็เป็นสถาบันพื้นฐานของมนุษยชาติครอบครัวก็เป็นแหล่งสังคมที่หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมที่จะสร้างคุณภาพของผู้คน สถานาภาพของคนทําให้ผู้คนนั้นรู้จักสิทธิหน้าที่อันพื้นฐค์ของตนที่จะแสดงออกต่อสังคมครอบครัวดีสังคมก็จะดีครอบครัวที่มั่นคงสังคมก็มั่นคงและไม่เพียงแต่สังคมเท่านั้นพริะจักของพระเจ้าที่มีครอบครัวมีบรรดาพื้นฐานครอบครัวที่เข้มแข็งพระจักก็เข้มแข็ง แต่คลิจักที่เข้มและคลิจักที่เข้มแข็งก็ทําให้ครอบครัวเข้มแข็งไปด้วยนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับสังคมถ้าครอบครัวเข้มแข็งสังคมเข้มแข็งแต่ถ้าสังคมอ่อนแอส่งผลทําให้ครอบครัวนั้นจะอ่อนแอตามไปด้วยนะครับจากการศึกษาปัญหาของเด็กและเยาวชนก็พบว่า ปัญหาของเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ป, ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆอีกมากมายนั้นก็ร่วนแต่มีรากฐานมาจากครอบครัวทางนั้นิ้นและบ้านที่ครอบครัวที่มีบ้านที่มีความอบอุ่นนั้นก็จะทําให้สังคมนั้นมีความสุขมีสันติสุขบ้านแห่งความเชื่อความเชื่อคืออะไรครับ ศรัทธาคืออะไรครับความเชื่อคือสิ่งที่เราความมั่นใจนะครับคือความมั่นใจว่าสิ่งที่เราหวังไว้นั้นมีจริงแม้ว่าเวลานี้เรายัางมองไม่เห็นความศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสที่ประกอบด้วยเหตุผลประกอบด้วยความเข้าใจและสติ ป, ปัญญาและเมื่อทำเราจะเข้าใจด้วยสติ ป, ปัญญาได้นั้น เราก็ต้องมีการสแสวงหาต้องมีการเรียนรู้และมีประสบการณ์ด้วยบ้านแห่งความเชื่อศรัทธานี้อย่างน้อยประการที่หนึ่งเราควรจะทำอย่างไรครับสิ่งที่เราควรทำนั่นคือว่าให้พระเยซูคริสต์เข้ามาในบ้านเข้ามาเป็นศูนย์กลางของบ้านของครอบครัวนั้นพระคัมภีร์ที่เราอ่านด้วยกันนี้เราพบว่าใน เวลาที่พระเยซูมาปรากฏกับเหล่าสาวกนั้นโทมัสเองไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นและโทมัสเมื่อโทมัสมาอยู่พระองค์ก็มาหาพวกเขาในการเข้ามาของพระองค์นั้นไม่ต้องเปิดประตรูนั่นคือกายของพระยซคริสต์หลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเป็นกายใหม่เป็นกายวิญญาณและเป็นกายที่เราทั้งหลายจะได้ รับหลังจากที่เราเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์กลับมานะครับนั่นก็เป็นความหวังของเราที่เราจะได้รับกายใหม่เช่นนี้พระเยซูคริสต์เข้ามาท่ามกลางบ้านที่เขาปิดประตูมิดชิดแต่พระองค์เข้ามาหาพวกเขาพระองค์มาอยู่ท่ามกลางเขาคำยอมรับของโทมัส องพระเวียนเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์นี่เป็นคำประกาศของบ้านหลังนี้ในค่ำคืนนี้และทุกคนต่างยอมรับเห็นด้วยกันเช่นนี้ว่าพระเยซูคริสตท์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขาเป็นเจ้านายของพวกเขานี่คือเหล่าสาวกและทั้งหลายซึ่งมีบ้านมีครอบครัวครอบครัวของคริสเตียน ครอบครัวของเราของพี่น้องและของผมเรามีพระสกคริสต์มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวของเรานั้นเมื่อเราจะทำอะไรจะคิดจะพูดจะทำเราก็จะทำเพื่อถวายเกียรติแ ด, ด่พระเจ้าและเราเองไม่ได้ทำเพื่อตอบสนองตามใจของตนเองเมื่อเราให้พระเยคริสต์เข้ามาเป็น พระเจ้าในชีวิตของเราพระกัมพีได้บอกว่าโรมบทที่สิบข้อเก้าข้อสิบก็บอกผู้ที่เชื่อด้วยใจและรับด้วยปากว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายก็นำมาถึงซึ่งความรอดและการที่จะรับองค์พระคริสต์ด้วยจิตใจก็ทำให้เราทั้งหลายนั้นได้รับความชอบธรรมเชื่อด้วยใจรับ ด้วยปากให้พระยเยซูริเจ้าเข้ามาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราและบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อนในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้านี่คือการที่เราได้รับเอาความรอดในพระเยซริเจ้าและพระองค์ก็ประทานสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าให้กับเราและครอบครัวของเราจึงให้พระเจ้าเข้ามาเป็นที่หนึ่งเป็นศูนย์กลาง ในครอบครัวของเราสันติสุขที่พระเจ้าให้กับเราทางพระเยซูคริสต์นั้นสันติสุขนั้นก็ที่อยู่กับครอบครัวของเราเหมือนอย่างที่พระยคริสต์ได้กลัดกับเราสาวกว่าสันติสุขจงอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายเถิดสันติสุขคืออะไรครับมันไม่ใช่ความสุขคืนนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจะพบความสุขหรือว่าพบความทุกข์ถ้าเขาดูบอลแล้วบอลแพ้ ก็นั่งเศร้าไปอีกหนึ่งคืนหรือหนึ่งสัปดาห์รอรุนสัปดาห์ตัดไปว่าทีมที่ตัวเองเชียร์นั้นจะชนะหรือเปล่านั่นคือความสุขคือความพอใจในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังแต่สันติสุขนั่นคือความสงบ ก, การที่ไม่มีความขัดแย้งต่อกันการคืนดีต่อกันไม่มีปัญหาต่อกันนั่นคือสันติสุขไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหน เราก็สามารถที่จะสงบได้เพราะว่าเราได้รับสนรีสุขนี้จากพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้ทาให้เรานั้นคืนดีกันกับพระเจ้าพระสคริสต์ได้ทำให้เรานั้นเลื่นคืนดีกันกับพระเจ้าเราจึงคืนดีกันกับคนอื่นคนที่อยู่รอบข้างเราโดยพระโลหิตของพระสคริสต์เจ้าการอภัยโทษบาปการคืนดีและการยกโทษบาปการยกโทษต่ตอคนที่ทากับเรานั้น เราจึงมีกำลังที่จะสามารถทำได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ได้เข้ามาทำงานในชีวิตของเรานั่นคือเราได้ให้พระเจ้าได้เข้ามาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในพิธีสมรสของทิสเตรียนครับคำปฏิญานในเวลาการจุดเทียนสมรสซึ่งมีความหมายอย่างนี้ครับว่า การจุดเทียนนั้นมีความหมายว่าพระเจ้าทรงสร้างคู่สมรสให้เป็นคู่ประทับของการและกันเป็นสามีภรยาการรับการจุดเทียนนั้นเป็นการรับเอาความสว่างของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นความสว่างของโลกเพื่อพระองค์จะเป็นศูนย์กลางและเป็นความสว่างแห่งชีวิตครอบครัวและให้พระเจ้าทรงหล่อหลอมชีวิตของสามีภรยาให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเทียนเล่มเดียวกับเหมือนกับ พระเจ้าองค์ตรีเอกุภาพหรือว่าตรีเอกภาพผู้ทรงเป็นพระเจ้าเดียวในครอบครัวของเราสำนวนที่เรามักจะพูดกันในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่แต่งงานใหม่นะครับเขาก็จะบอกว่าใหม่ๆน้าต้มผักก็ยังว่าหวานนานๆไปน้าตาลก็ คนที่ยังไม่แต่งงานก็เลยคิดไม่ออกนะครับคนที่แต่งงานแล้วก็บอกว่าน้ำตาลก็บอกว่าขมก็ยังขมนั่นคือสํานวนทั่วไปแต่ครับครอบครัวคริสเตียนนะครับใหม่ๆก็ยังหวานพอนานๆไปยิ่งหวานหวานแน่นะครับนี่คือครอบครัวคริสเตียนครอบครัวที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวของเราและ เราก็สามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกันด้วยการกระทําด้วยคําพูดด้วยการเห็นอกเห็นใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและยิ่งกว่านั้นเรามีพระเจ้าที่จะเอาใจใส่เราเราพึ่งพระ อ, องค์ผู้เขียนหนังสือครอบครัวที่ประกอบด้วยพระวิญญาณโดยสุดผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้เขาเป็นพยานในหนังสือเล่มนี้ว่าท่านเองมีแม่ที่รักพระเจ้า และเป็นนักอธิษฐานขณะที่ท่านก็เริ่มเป็นวัยรุ่นคุณแม่ก็รู้ว่าท่านเริ่มดือ้อเนื่องจากเป็นลูกชายและเริ่มออกนอกลูกล่นอกทางครับในเย็นวันหนึ่งคุณแม่ได้ไปคุยกับอาจารย์วิทยาลัยพระคริสตธรรมครับแล้วก็ขออาจารย์อธิษฐานเพื่อลูกที่ซึ่งกําลังดือ้อกำลังโซนกําลังออกนอกลูกล่นอกทางอาจารย์อธิษฐาน เพื่อเขาได้สองสามสัปดาห์แต่เขาก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนก็ยังเที่ยวดึกเที่ยวกลางคืนวันหนึ่งขณะที่เขากลับบ้านวันนี้ไม่ได้กลับดึกครับกลับเช้าตีสองเขายังพบว่าแม่นั่งคุกเขา่าอธิษฐานอยู่ที่ห้องรับแขกซึ่งบ้านของเขานน้นก็เป็นบ้านเล็กๆด้วยความโมโ oh หเขากคคิดในใจ ปล่อยให้ซพอย่างนี้ปล่อยให้หลับคาโต๊ะอย่างนี้ให้เข็ดไปเลยแล้วเขาก็แอบย่องย่องนะครับย่องข้ามหลังคุณแม่ไปผ่านเข้าห้องนอนแต่อะไรเกิดขึ้นครับเขาเห็นภาพคุณแม่ที่นั่งคุกเข่าอธิษฐานแล้วก็ฟุบอยู่ที่โตะรับแขกไม่สามารถที่จะหลับ หลงเขาไม่สามารถที่จะหลับตาลงได้สนิทและในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นไปพยุงคุณแม่กลับไปนอนในห้องครับการอธิษฐานของของคุณแม่นี้ก็เป็นสิ่งที่ติดตาของอาจารย์ทิมายเฮอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดเขาเริ่มต้นใส่ใจเรื่องของ พระเจ้ามาขึ้นขณะที่เขากําลังเรียนอยู่ในโรงเรียนกฎหมายเขาได้ลาออกแทนที่เขาควรจะได้เป็นนักกฎหมายที่มีฝีมือคนหนึ่งเขาลาออกไปไหนครับลาออกไปเรียนโรงเรียนพระคิณธรรมแทนที่เขาจะเป็นนักกฎหมายที่ช่วยเหลือคนเพียงไม่กี่คนแต่เขากลับ เป็นนักเทศเป็นนักเขียนฝ่ายความเชื่อที่ช่วยคนทั่วโลกขอบคุณพระเจ้าครับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเมื่อให้พระเยซูคิส์เจ้าเข้ามาเป็นศูนย์กลางในครอบครัวนี้ประการที่สองครับในบ้านของเราให้เราแสวงหาที่จะมีประสบการณ์กับพระคริสต์โทมัสบอกว่าถ้าข้าไม่เชื่อขออภัยถ้าข้าไม่ได้แยงมือนิ้วของข้าไปใน แผลรอยแผลของพระองค์่าจะไม่เชื่อเลยพระองค์กระทำพิสูจน์ครับพระองค์เดินทะลุกําแพงเข้ามาหาเขาและพระองค์เปิดสีข้างให้เขาเอามือแยังพระองค์แบมือที่เป็นรอยแผลนั้นให้เขาจับเขาได้มีประสบการณ์ที่สัมผัสโ ด, ดยตรงกับพระเยซูเขาเชื่อและเขาประกาศว่าพระเยซูพิศเป็นจอมเจ้านาย ในชีวิตของเขาคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือเจ้านายนั่นเองแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องสัมผัสกับพระองค์แล้วถึงจะมีความเชื่อและมีความสุขแต่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่ไม่ได้เห็นพระองค์แต่เชื่อก็เป็นไรครับเป็นสุขก็ได้รับสารีสุขได้รับความสุขได้รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้า หน้าที่ของผู้ใหญ่ของพ่อของแม่คือการจัดเตรียมบุตรหลานนำบุตรหลานนำลูกหลานคนในครอบครัวนั้นให้มีประสบการณ์กับพระเจ้าในการอ่านพระคัมภีร์ในการอธิษฐานในการร่วมสา ม, มัคคีธรรมผมเคยพูดหลายครั้งนะครับและเป็นพยานหลายครั้งว่าปัจจุบันเรามีใช้สื่อมีเดียทั้งหลายพวกนี้ที่มันลอยเข้ามาในห้องนอนของเรา โดยที่เราไม่ต้องไปสแสวงหามันเพียงแต่เราเปิดเครื่องรับของเราเราก็สามารถที่จะรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเพลงเพลงไม่ว่าจะเป็นคําสอนไม่ว่าจะเป็นบทภาวนานะครับมีมากมายที่เราสามารถที่จะใช้ได้พระวจะนะของพระเจ้าฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สี่ขอภัยบทที่หข้อสี่ถึงข้อ9ได้บอกว่าไม่ว่าเราจะ นอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคำนั้นจงเอาถ้อยคำเหล่านั้นพันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญจงจะรึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่านและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่านนั่นหมายความว่าเราจะต้องเพียรพยายามที่จะเรียนรู้และถ่ายทอดความเชื่อของเราในที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นให้กับลูกหลานให้กับผู้คนในครอบครัวของเรา แต่สิ่งที่หลายๆครั้งที่เราทำหรือว่าครอบครัวทั่วไปทำก็คือเราไม่ได้พาคนที่อยู่ในครอบครัวของเรานั้นได้เห็นแบบอย่างที่ดีในการอ่านพระวจนะในการอธิษฐานและการสำแดงความเชื่อออกมาในการประพฤติมีภาษิตภาคเหนือโบราณนะครับได้บอกว่า คริสเตียนเดี๋ยวปลี่แปลงสำเนียงนิดนึงนะครับคริสเตียนวันติดวันแยะการหยังกําปับคนละอันเดินด้วยกันไปโฮงสูด ต, ต้องคนภาคเหนือโบราณโบราณ น, นะครับถึงจะแปลคําเหล่านี้ได้นะครับอ่าคำว่าวันติดนี่คือวันอาทิตย์พอเข้าใจนะครับแยะการคือทํางานนะครับปั๊บ กำปั๊บคือถือพระกัมภีครับพระกัมพีใบลานสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นพับผับนะครับหนังสือม้วนนะก็ถือเป็นพับผักันนะครับไปโหงสูตรคือโรงน้ำมาสการนะครับสูตรก็คือการน้ำมาสกา ร, นะรเดินด้วยกันเป็นเส้นเดินด้วยกันเป็นแถวไปโบสวันอาทิตย์เขาก็จะไม่ทำงานกันนะครับเตรียมข้าวปลาอาหารตั้งแต่เย็นวันเสาร์ครับวันอาทิตย์เช้ามาก็อุ่น ผงข้าวนึข้าวแล้วก็อุ่นกับข้าวแค่นั้นแล้วก็ที่เหลือปลายโบท์ตอนบ่ายวันอาทิตย์ก็ยังไปน้มัสการตามบ้านครับวัฒนธรรมต่างจังหวัดกับในเมืองก็จะต่างกันแม้กระทั่งปัจจุบันเรามีกลุ่มเซลมีกลุ่มแคร์ตามบ้านนะครับแต่ต่างจังหวัดเขามีการมัสการตามบ้านเย็นวันอาทิตย์ระหว่างสัปดาห์เขาก็ไปเยี่ยมตามบ้านตามบ้านใช้บ้าน เป็นสารที่นมัสการพระเจ้าเป็นสารที่ในการสามัคคีธรรมเด็กๆ ก, ก็จะอยู่ในการนมัสการสมาชิกทุกคนในครอบครัวในโบสถ์ก็จะร่วมกันไปพี่น้องทีละครับถ้าเราได้เติบโตหรือว่าเด็กๆของเราได้ถูกเลี้ยงดูได้เติบโตมามากับประสบการณ์ที่อยู่ในทางของพระเจ้าเขาก็จะอยู่ในทางของพระเจ้าไบรอนฮา์เบอร์นะครับได้บอกว่า ถ้าเด็กเติบโตมากับคําวิจารณ์เขาจะเป็นคนช่างติถ้าเด็กเติบโตกับความเป็นศัตรูเขาจะเป็นคนที่ชอบต่อสู้ถ้าเด็กเติบโตมากับความกลัวเขาจะเป็นคนกลัวง่ายถ้าเด็กเติบโตมากับความสงสารเขาจะเป็นคนสงสารตัวเองถ้าเด็กเติบโตมากับความริษยาเขาจะเป็นคนตำหนิตัวเองถ้าเด็กเติบโตมากับการหนุนใจเขาจะมีความเชื่อมั่นถ้าเด็กเติบโตมากับความอดทนอดกลั้นเขา จะเป็นคนที่มีความอดทนถ้าเด็กเติบโตกับการยอมรับเขาจะเป็นคนที่รักผู้อื่นถ้าเด็กเติบโตมากับความซื่อสัตย์เขาจะเป็นคนที่มีความจริงใจและรู้จักความจริงคืออะไรถ้าเด็กเติบโตมากับความเป็นมิตรเขาจะรู้ว่าโลกโลกนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่สิ่งที่พ่อแม่สิ่งที่ผู้ใหญ่ประพฤติ ในสําดงในครอบครัวนั่นเองก็จะทำให้เด็กได้ทำตามถ้าเด็กถ้าพ่อแม่มีความรักให้ความอบอุ่นรู้จักโอบกอดในภาคเช้าเราได้ยินอาจารย์ทวีพง์ได้เทศนาว่าคุณพ่อของแม่ท่านก็มักจะจุ๊บท่านนะครับตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะครับขอขออภัยในทุกวันนี้บางที ผู้ปองมนุษย์ก็ยังเรียกอาจารย์ทวีพงศ์ว่าน้องพงศ์อยู่เลยนะครับจริงๆอาจารย์ก็อยู่ทํามกลางเรานะครับอ่าเราเห็นครอบครัวที่น่ารักเราเห็นอ่ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในท่ามกลางครอบครัวเราถ้าพ่อแม่อ่านพระคัมภีร์ให้ลูกๆเห็นลูกอย่างน้อยถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์เขาจะก็ต้องชอบอ่านหนังสือเขาก็ชอบในการที่จะสแสวงหาค้นคว้า เราใช้เวลาในการที่จะสวยหายประสบการณ์ที่กับพระเจ้าได้เมื่อเรายังมีเวลาและสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรานั้นครอบครัวของเรานั้นได้สัมผัสกับการสถิตของพระเจ้าและเห็นถึงพระพรของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางารเราและการสุดท้ายครับให้เราใช้บ้านเป็นสถานที่ในการรับใช้ในข้อที่ยี่สิบหกถ้าเป็นเวอร์ชันสองพัน2000 ขอให้ครับหนึ่งเกเจ็ดหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าสาวกอยู่ในบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านใครครับนักศึกษาพระคัมภีร์ก็จะบอกว่าน่าจะเป็นบ้านของมาลาโกและบ้านหลังนี้ถูกใช้ในการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายใช้ในการอธิษฐานและรอคอยการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราก็จะพบว่าหลายๆครั้งในพระคัมภีร์ ก็ใช้บ้านในการสามัคคีธรรมในการสอนบ้านของมารีมาทาที่พระเยซคตเจ้าไปเยี่ยมเยียนบ้านหลังนั้นที่มีพระเยซูคริสตสอนและมีคนมากมายเต็มบ้านเจ้าของบ้านไม่ปี่ปากสักคำเมื่อเพื่อนสี่คนพาคนง้อยมาแล้วก็ไปลื้อบนหลังคาบ้านเพื่อจะย่อนคนง่อยไปหาพระเยซูนั้นก็ใช้บ้าน เราใช้บ้านเพื่อต้อนรับแขกเพื่อการสามัคคีธรรมเราสามารถที่จะใช้บ้านนั้นทำให้ผู้คนนั้นได้รับพระพรของพระเจ้ามีความสุขแต่สังคมเมืองมักจะปิดบ้านเก็บบ้านไว้และหลายหลายครั้งเราพบว่าก็เก็บบ้านไว้ให้ขโมยมาขึ้นเก็บทรัพย์สมบัติไว้รอให้กับขโมยมามามาลักขโมยในบ้านหลังนั้น แต่ถ้าเราจะใช้บ้านนั้นต้อนรับแขกใช้ในการนมัสการใช้ในการพบเพื่อนใช้ในการให้ลูกๆให้เด็กๆ เ, เข้ามาและให้เขามีโอกาสได้พบปะกันที่บ้านก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเราขอบคุณพระเจ้าโบสถ์เราแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางห้างสรรพสินค้ามากมายแต่เราก็ไม่พบเด็กๆของเราไปอยู่ตามห้าง ผมเคยไปฝึกงานที่ไปที่โบสถ์หนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ห้างเหมือนกันเขาจะบอกว่าไปวันนี้ไปโบสถ์ใหญ่ตอนแรกๆที่ไปนั้นก็ไม่เข้าใจว่าโบสถ์ใหญ่หมายความว่าอะไรครับโบสถ์ที่เขาไปน้มัสการ์นันคือโบสถ์เล็กโบสถ์ใหญ่คือห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้โบสถ์นั่นเองแทนที่ ถ้าเราจะให้ถ้าเราปิดบ้านคนในบ้านก็จะไปพบกันข้างนอกแต่ถ้าเราเปิดบ้านคนในบ้านแทนที่จะออกไปข้างนอกก็จะเข้ามาใช้บ้านนั้นเป็นบ้านแห่งพระพรบ้านแห่งศรัทธานั้นเราจึงให้พระเยซคริสต์เจ้าเข้ามาเป็นพระเจ้าของคนในครอบครัวเป็นที่หนึ่งเป็นศูนย์กลางของครอบครัวของเราและถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ยัง ไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเป็นพระเจ้าของขสมาชิกในครอบครัวของเราเราก็อธิษฐานครับด้วยความเชื่อของเรานั้นพระคัมภีร์ได้บอกว่าคนใดคนหนึ่งที่เชื่อนั้นโดยความเชื่อของเขาก็สามารถทําให้ครอบครัวนั้นรอดได้นั่นคือชีวิตที่เป็นพยานก็สามารถที่จะทําให้คนในครอบครัวนั้นรอดได้และ เราสามารถที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าในการใช้บ้านของเราและให้บ้านของเรานั้นเป็นบ้านแห่งพระพรที่จะให้คนในครอบครัวนั้นเป็นพรไปสู่ผู้อื่นมีชายคนหนึ่งนะครับได้เป็นพยานว่าขณะที่เขาเป็นวัยรุ่นเขาก็ชอบไปบ้านของผู้โอโซคนหนึ่งซึ่งเป็น คนที่ไม่มีลูกแต่เป็นคนที่ใจดีทั้งสองสามีภรรยานี่ยมักจะหาผลไม้หาขนมขบเคี้ยวมาเตรียมให้เด็กๆไวรุ่นในโบสเนี่ยมาพักผ่อนที่บ้านของเขาบางทีเขาก็จะเล่าประสบการณ์ชีวิตในในวัยตอนเป็นวัยรุ่นให้กับพวกวัยรุ่นวัยรุ่นเหล่านี้ก็ชอบที่จะฟังและเขาก็พากันมา บางทีไม่มีธุระอะไรเขาก็พากันมาเล่นคุณลุงกับคุณป้าไม่เคยสนใจว่าบ้านจะรกบ้านจะรุงรังเพราะเด็กๆ เ, เหล่านี้บางทีก็นั่งคุยกันเล่นเล่นทำให้บ้านรกจนหลายๆคนครับที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า เมื่อมาบ้านหลังนี้แล้วทำให้เขาเห็นถึงความอบอุ่นเห็นถึงความรักของวัยรุ่นของเพื่อนเขาและของเจ้าของบ้านของคุณลุงและคุณป้าหลายคนได้รับเชื่อฟรีสกิตเจ้าเพราะบ้านหลังนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้บ้านของเราในแต่ละ บ้านแต่ละครอบครัวนั้นเป็นบ้านที่มีความเชื่อมีความศรัทธาและไม่เพียงแค่เป็นความศรัทธาที่อยู่ในใจแต่ให้เป็นความศรัทธาที่ออกมาทั้งความประพฤติและการกระทําขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขับพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สําหรับการดูแลของพระองค์ทาให้ข้าพุทธามีบ้านมีครอบครัวที่อบอุ่นขอประทานกําลัง ที่ขรองค์งทั้งหลายจะยอมให้พระองค์มอบให้พระองค์เป็นศูนย์กลางแห่งครอบครัวแห่งบ้านของข้าพรองค์ทั้งหลายทั้งหลายจะรักเพื่อทังหลายจะเป็นพระพรโปรดช่วยมีถ้ามีค้าพรองค์ทั้งหลายครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดของพี่น้องของข้ารองค์ทั้งหลายมีคนหนึ่งคนใดในครอบครัวที่ยังไม่ได้เชื่อในพระองค์หรือว่า ห่างหายจากการสาคดการสามขีธรรมขอพระเจ้าทรงเมตตาที่ข้าพรองคทั้งหลายจะอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันและให้ดวงวิญญาณเหล่านี้ได้เข้ามาสู่ได้ร่มพระคุณของพระองค์ในการเป็นบุตรเป็นลูกของพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ขอให้พระวัชนาของพระองค์ที่จะสําเร็จในชีวิตของข้าพรองทั้งหลายทุกคนในพระนามของพระยศขิตเจา้าอาเมน